วันนี้เป็นวันเสาร์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2565เป็นวันหยุดทำงานของท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่มใส ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในทางธรรมตามคำสั่งคำสอนที่สอนให้พุทธบริษสทนั้นทำทุละของตนให้สมบูรณ์ทุละที่ พุทธศาสนิกชนที่ต้องทำก็คือศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของสังสารวัฏที่สัตว์โลกอย่างพวกเรากำลังติดอยู่ ด้วยความยินดีในธรรมเพราะความยินดีในธรรมนี้ชนะความยินดีทั้งปวงความยินดีในธรรมจะทำให้เราได้เข้าถึงรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนั่นเองการที่พวกเราจะเข้าถึงรถแห่งธรรมได้เราก็ต้อง พัฒนาเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากขึ้นจนสามารถที่จะทำให้เราได้เข้าถึงรถแห่งธรรมรถแห่งธรรมนี้ก็คือรสของความสงบนั่นเองนัตติสันติบาลังสุขขัง สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสงบนี้เป็นความสุขที่สูงสุดเป็นความสุขที่ปราศจากความวุ่นวายใจต่างๆเป็นความสุขที่จีรังถาวรเป็นความสุขที่เราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆภายนอก ตัวเราเองการที่เราจะเข้าถึงความสุขอันระเสรตนีไ้ได้เราต้องพัฒนาเครื่องมือคืออินสีห้าได้แก่หนึ่งศรัทธาสองวิริยะความภาคเพียงสามสติสี่สมาธิ และห้าคือปัญญานี่คือธรรมหรือเครื่องมือที่ตอนนี้เราพอมีอยู่กันบ้างแต่ยังมีไม่สมบูรณ์คือศรัทธาของเราก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรต่อธรรมก็ยังไม่เต็มร้อย สติสมาธิและปัญญาก็ยังมีไม่เต็มรอยจึงทำให้เรายังไม่สามารถเข้าถึงรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงได้เราต้องมาสร้างอินทรีห้าให้เป็นพละห้าพละก็คือกำลังนี่เองแปลว่าพลัง อินรี่นี้ก็เป็นความสามารถของใจที่ยังเป็นแบบทารกยังไม่ได้เจริญเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยังทำภารกิจการงานต่างๆไม่ได้อย่างสมบูรณ์ต้องพัฒนาอินรียห้านี้ ให้กลายเป็นพระละห้าขึ้นมาให้ได้การที่เราจะพัฒนาอินทรีย์ให้เป็นพระละนี้เราก็เริ่มที่การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้และมี บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรืออ่านหนังสือหรือฟังเทศฟังธรรมของพระสุปฏิปันโนทั้งหลายพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่ได้บรรลุมากผลมิพานแล้วการฟังธรรมจากแหล่งเหล่านี้ศึกษาจากแหล่งเหล่านี้จะให้เราได้ทำแท้ ทำที่เป็นของจริงทำที่จะทำให้เราเกิดมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเกิดวิรยิยะเกิดสติสมาธิเกิดปัญญาเพิ่มมากขึ้นพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างมากถึงกับได้ทรงบัญญัติวันฟังเทศน์ฟังธรรมเอาไว้วันธรรมะสวัสดิ์ ธรรมสวนะนี้ก็แปลว่าการฟังธรรมกาเดนะธรรมสวนะังเอตัมมังกลมุตตมังการฟังธรรมนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะฟังธรรมแล้วจะได้รับอนิสงส์ได้รับประโยชน์อยู่ถึงห้าประการด้วยกันคือหนึ่ง จะได้ยินได้ฟังทำที่ไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. องทำที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะกำจัดความนังเลสงสัยต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ส จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิหรือปัญญานี่แล้ห้าจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสก็คือสมาธิสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาปัญญาในระดับต้นที่เรียกว่าปัญญาอสุตมะยะปัญญา ปัญญาความรู้ความฉลาดที่เกิดจากการได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการศึกษาธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงกระทาภารกิจแสดงธรรมวันละสี่รอบด้วยกันพุทธกิจของพระพุทธเจ้านี่ กิจวัตรประจําวันนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือออกมินทบาทโปรดสัตว์ในยามเช้าพอยามบ่ายก็ทรงแสดงธรรมให้กับศรัทธาญาดวงยามค่ําก็ส่งแสดงธรรมให้กับนักบวชคือภิกษุภิกษุณีในยามดึกก็ส่งแสดงธรรมให้กับเทวดา ยามรุ่งก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาศก็ทรงเล็งยานดูว่าจะไปโปรดบุคคลใดเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นนี่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญอย่างมากต่อการแสดงธรรมต่อการศึกษาธรรมเพราะถ้าปราศจากการศึกษาธรรมปราศจากการแสดงธรรมแล้วเนี ธรรมนี้จะไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของปุถุชนอย่างพวกเราได้เลยพวกเรานี้ต้องมีธรรมเป็นธรรมจากพระอริยบุคคลเป็นจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นผู้จุดประกายแสงแสงสว่างแห่งธรรมให้ปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเรา ถ้าปราศจากพระพุทธเจ้าปราศจากพระอริยสงสาวุกทั้งหลายแล้วแสงสว่างแห่งธรรมนี้จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาในใจของปุตุชนได้เลยป mm hmm. ุตุชนก็จะตกอยู่ในความครอบงำของโมหะอาวิชชาความมืดบอดที่จะหลอกให้จิตใจของปุตุชนนั้น ติดอยู่ในตายภพแห่งการเวียนร่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกแล้วแสดงธรรมให้แกส่สัตว์โลกธรรมของพระพุทธเจ้านี้ก็จะเข้าไปจุดประกายแสงสว่างแห่งธรรมให้ลุกโช่อช่วงชัชวาขึ้นมาภายในใจของผู้ฟังเลย ซึ่งถ้าใจของผู้ฟังนี้มีพระห้าอยู่แล้วนี้ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในขณะที่ฟังเลยเช่นในยุคแรกๆนี้ตอนที่พระเจ้าทรงสแสดงธรรมใหม่ๆทรงเลือกผู้ฟังผู้ฟังที่มีมีพระหา้าคือมีศรัทธามีสติ มีวิริยะมีสมาธิแต่เพียงแต่ขาดปัญญาแสงสว่างแห่งธรรมเท่านั้นคือพวกฤาษีชีพไพรทั้งหลายพวกนักบวชทั้งหลายที่ได้รักษาศีลมาอย่างบริสุทธิ์ได้ฝึกสติฝึกสมาธิจนจิตนี้สงบนิ่งตั้งอยู่ในอุเบกขาได้แล้วแต่ขาดปัญญาที่จะ ชี้ทางแห่งการหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดว่าให้ไปในทิศทางใดเท่านั้นเองพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจสีทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นผู้ฟังนั้นถ้ามีภาระอินทรีย์ที่เป็นภาระแล้วนี้ ก็สามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมเลยตอนที่ทรงแส ด, ดงธรรมครั้งแรกให้กับพระปัญจวัคคีโดยแส ด, ดงพระธรรมจากกับประวัติะสุทธะสุทธะคือทรงแส ด, ดงเรื่องมรรคเรื่องอริยสัจ ส, สี่เรื่องทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่ทรงแส ด, ดงสธรรมเสร็จสิ้นลง หนึ่งในพระปัญจวัคคีคือพระอัญญาณโกนธั ญ, ญะก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาในใจรรทันทีธรรมของพระพุทธเจ้าได้ไปจุดประกายให้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมคือดวงตาเห็นธรรมขึ้นมารรมทันทีเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา ไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับเมื่อมีการเกิดแล้วต้องมีการดับเสมอไปถ้าไปยึดไปติดกับสิ่งที่เกิดไม่อยากให้มันดับเวลามันดับก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าไม่ยึดไม่ติดรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับก็ปล่อยให้มันดับไปเมื่อถึงเวลาของมัน ใจก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เกิดที่ดับ ก, ก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันเห็นขันห้าคือร่างกายและความรู้สึกนึกคิดของใจนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นพระเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มีการปรากฏขึ้นตามธรรมชาติของเขาไม่มีใครที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปพอวันใดวันหนึ่งพอสั่งเขาไม่ได้ถ้าอยากจะสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่ น, น ไปสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอถึงเวลาที่ร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะจะไม่ได้ดังใจอยากนั่นเองอยากไม่แก่แต่ก็ต้องแก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายก็ต้องตาย ว่า น, นี้เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่ไม่ใช่เป็นใจใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายแต่เพราะความหลงความมืดบอดทําไปให้คิดว่าใจเป็นร่างกายและคิดว่าใจจะแก่จะเจ็บจะตายไปกับร่างกายด้วยแต่พอได้ยินได้ฟังธรรมได้รู้ว่าร่างกายและความ รู้สึกนึกคิดนั้นไม่ได้เป็นตัวใจใจไม่ได้เกิดไม่ได้ดับไปกับขันห้าคือร่างกายและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นธรรมชาติของขันห้าที่เขาจะต้องมีการเกิดการดับไปเป็นธรรมดาพอเข้าใจหลักธรรมอันนี้ก็มีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าขนาน้านนี้มีเกิดก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาร่างกายมีเกิดก็ต้องมีตายเป็นธรรมดาเวทนาก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเปลี่ยนจากสุขเป็นทุกข์จากทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสัญญาสังขารวิญญาณก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามสิ่งที่มาสัมผัสรับรูบ้ ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาผลิตแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวมีสุขวันนี้เดี๋ยวสุขวันนี้ก็หายไปได้วันทุกนี้ทุกก็เข้ามาแทนที่ได้มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของสภาวะธรรมเหล่านี้ พอได้ยินได้ฟังความจริงอันนี้แล้วหนึ่งในพระปัญจวะคีผู้มีความฉลาดที่สามารถพิจารณาเห็นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ได้ก็บรรุธษรมอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งทรงแสดงเรื่องอนัตตา ว่าขันห้านี้ไม่มีตัวไม่มีตนพอแสดงจบพระปัญญวคีทั้งห้ารูปก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาพร้อมๆกันเลยเพราะว่าจิตใจของท่านมีศรัทธามีสติมีสมาธิมีวิริยะความเพียรที่จะนำธรรมที่ได้ยินได้ฟังนี้เอาเข้ามาในจิตใจ เพื่อมาลบล้างความมืดบอดคือโมหะอาวิชชาที่ครอบงมจิตใจให้หายไปยิงทาให้เห็นใจของตนเองอย่างชัดเจนว่าใจนี้ไม่ได้เป็นสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆนี้ไม่ใช่ใจสิ่งต่างๆที่เกิดที่ดับนี้เป็นสภาวะธรรมไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่เป็นของใครทั้งสิ้น เป็นธรรมชาติที่เกิดการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งหลายเช่นธาตุดินน้ำลมไฟมก็เลยมีการแปรปรวนเปลี่ยนไปมีเกิดมีดับไปตามเรื่องของเขา<ม>พอปล่อยวางได้ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือ ยุคแรกๆของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทรงมุ่งไปสอนพวกที่มีอินทรีย์มีพระละหา้ามีพระละสี่แต่ขายปัญญาพอแสดงปัญญาให้ครบเป็นพระละห้าขึ้นมาจิตใจก็สามารถหลุดพ้นจากอิทธิพลของความทุกข์ทั้งหลายได้ยุคแรกๆนี้การ แสดงธรรมจะท่งแสดงให้กับพวกนักบวชตามสำนักต่างๆถึงแม้ว่าจะมีความคิดความเห็นทางปัญญาต่างกันแต่ทางปฏิบัติทางระดับจิตนี้เหมือนกันก็ระดับศีลระดับสมาธินี่เหมือนกันคือรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่น จเจริญสมาธิให้จิตมีความสงบมีอุเบกขามีความสุดซึ่งสามารถระงับดับความทุกข์ในขณะที่อยู่ในสมาธิได้แต่พอออกจากสมาธิมาเหตุที่ทำให้จิตใจนั้นทุกข์คือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชานั้นไม่ได้ไม่ได้ตายไปจากกำลังของสมาธิ พอออกจากสมาธิมากําลังของสมาธิที่กดกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชานี้ก็อ่อนกําลังลงพ อ, อ่อนกําลังลงกิเลสตัณหาโมหะอาวิชาที่ถูกกําลังของสมาธิกดไว้ก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวเริ่มออกมาแสดงความโลภความอยากความโกรธต่างๆ พอมีการสแสดงความโลภความโกรธความหลงต่างๆขึ้นมาความทุกข์ก็ปรากฏตามขึ้นมาพวกนักบวชเหล่านี้เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นในขณะที่ออกจากสมาธิรู้เพียงแต่ว่าหยุดความทุกข์ได้ในขณะนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอเข้าฌานแล้วจิตนิ่งสงบกิเลสตัณหาโมหะวิชา ก็จะหยุดทำงานทันทีเมื่อเขาไม่ทำงานความทุกข์ที่เป็นผลจากการทำงานของเขาก็เลยหายไปแต่พอออกมาจากสมาธิพอเริ่มมารับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะก็เกิดกิเลสขึ้นมาทันทีเกิดความรักความชอบเกิดความเกลียดความชังขึ้นมาเกิดความโลภความอยากได้ เห็นสิ่งที่ชอบก็อยากได้เห็นสิ่งที่เกลียดชังก็อยากจะให้มันหายไปก็เลยทำให้ใจนี้เกิดความดิ้นรนทุรนทุรายเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่มีใครรู้ว่าจะกําจัดความทุกข์แบบนี้ได้อย่างไรแม้แต่พระพุทธเจ้าพระ อ, องค์เองในตอนที่ยังไม่ได้ตัดสู้ก็มีประสบก า, ารณ์แบบนี้เช่นเดียวกัน พอไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่รู้เพียงแต่ระดับศีล ร, ระดับสมาธิเท่านั้นยังไม่รู้เรื่องของปัญญาวิธีกำจัดกิเลสตัณหาตัวที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างไรแต่หลังจากที่พระองค์ทรงค้นคว้าด้วยพระองค์เองในในที่สุดก็คงทรงพบเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ ในขณะที่ออกมาจากสมาธิก็คือความไม่เข้าใจความหลงที่ไปเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ไปสัมผัสรับรู้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะนี้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขอันนี้เพราะขาดการพิจารณาเพราะมองรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเพียงด้านเดียว เห็นตอนที่รูปเสียงกลิ่นลดผดพะทะเจริญเวลาได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นลดผดพะทะที่กําลังเจริญเราก็จะรู้สึกมีความสุขแต่พอไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นลดผดพะทะที่มีการเสื่อมเวลานั้นใจก็เกิดความเศร้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เพราะขาดปัญญาไม่ได้มองอย่างครบรอบ รอบด้านว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสือ่อมมองไม่เห็นอ น, นิจจงความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมทั้งหลายแล้วก็มองไม่เห็นของการที่ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้สภาวะธรรมทั้งหลายไม่เปลี่ยนแปลงได้นั่นเองแต่หลังจากพิจารณาแล้ว ถ้าปล่อยวางปล่อยให้สภาวธรรมทั้งหลายเขาเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเขาจะเปลี่ยนก็ปล่อยเขาเปลี่ยนไปเขาจะเกิดหรือจะดับก็ปล่อยให้เขาเกิดเขาดับไปเราอย่าไปยุ่งกับเขาเท่านั้นเองพอเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราก็จะไม่ไปทุกข์กับเขาพระพุทธเจ้าก็เลยทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ตอนที่ออกจากสมาธิมา เมื่อก่อนเคยมีความทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พอเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วว่าเป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปตามธรรมชาติของเขาไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ก็ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดพอไม่ยึดไม่ติดก็เลยไม่ทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของของธรรมชาติต่างๆของสภาวะธรรมต่างๆทุกข์ก็เลย หมดสิ้นไปจากพระทยของพระพุทธเจ้านี่คือปัญญาที่ไม่มีใครรู้มาก่อนในยุคที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าตัดสร้ปัญญานี้ขึ้นมาแต่พอพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบปัญญาแล้วแลวรู้วิธีที่จะสร้างปัญญานี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็เลยนำเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่พร้อมที่จะสร้างปัญญาเหล่านี้ขึ้นมา ผู้ที่จะสร้างปัญญาเหล่านี้ขึ้นมาก็ต้องมีมีเครื่องมือคือมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธินั่นเองคือมีอินทรีย์ที่สมบูรณ์มีศรัทธาความเชื่อมั่นว่าทางหลุดพ้นของความทุกข์นี้เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาเพียงแต่ว่าไม่มีปัญญา พอมีคนฉลาดที่ได้ส่งคนพบปัญญามาเผยแผ่มาสั่งสอนพอน้อมนำเอาไปพิจารณาเอาไปปฏิบัติจิตก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้บรูเป็นพระอรยะสงฆ์สาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวฟังธรรมพร้อมกันห้าร้อรูพอแสดงธรรมเสร็จปั๊บก็ บรรลุธรรมทั้งห้าร้อยรูปเลยเพราะเครื่องมือคืออินทรีย์นี้เป็นพร ะ, ะไปแล้วมีศรัทธาเต็ม1้อยมีวิริยะเต็มร้อยมีสติเต็มร้อยมีสมาธิเต็มร้อยพอได้เติมปัญญาจากพระพุทธเจ้าให้เต็มร้อยเท่านั้นก็บรรลุเป็นพระอรหรันตสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้พอได้บรรลุปั๊บ เป็นผ้าหลังปักก็ขอพระพุทธเจ้าบวชกับพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาขอขอนับถือพระพุทธเจ้าขอบวชในบรวรของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ส่งบวชให้แล้วก็บอกให้พระที่บรรลุธรรมนั้นพร้อมๆกันนี้ให้แยกกันไปคนละทิศคนละทาง เพื่อนำธรรมมันประเสริฐนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จะได้สามารถเข้าถึงธรรมะได้อย่างรวดเร็วและมากมายถ้าไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มนี้ความรู้จะกระจุกอยู่ที่เดียวเลยบอกให้กระจายไปคนละทิศคนละทางไม่ให้ไปด้วยกันสองรูปให้ไปรูปเดียว คนหนึ่งไปทิศเหนือคนไปทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกไม่ให้ไปไปเพื่อที่จะได้นำธรรมประเสริฐนี้ไปมอบให้กับผู้ที่พร้อมที่จะรับธรรมไปเอาเข้าสู่ใจและบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วในในระยะเพียงเจ็ดเดือนแรกของการเผยแพร่ธรรมคือเผยแพร่ธรรมครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนแปด แล้วต่อมาอีกเจ็ดเดือนคือวันเพ็ญเดือนสามที่เราเรียกว่าวันมาคะบูชาก็ปรากฏมีผ้าอารหันตสาวกอย่างน้อยก็หนึ่งันสองรห้าิรูปด้วยกันได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆคือผ้าอารหันที่ไปเผยแพร่ทำตามสารทิสารทิตต่างๆนั้น ก็ไปผลิตพระอาหารหันต์ขึ้นมาอีกเป็นจำนวนมากเลยทำให้มารวมตัวกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกนี้หนึ่งันสองรหรูปด้วยกันนี่คือความง่ายดายของการบรรลุธรรมในยุค พ, พระพุทธเจ้าเพราะว่าผู้ที่ฟังธรรมนั้นมีเครื่องมือที่พร้อมสมบูรณ์มีศรัทธาเต็มร้อย มีวิริยะความอุตสาหะความเพียรเต็มร้อยมีสติสมาธิเต็มร้อยพอได้รับปัญญาของพระพุทธเจ้าเต็มร้อยเข้าไปทท้งนั้นก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ตัสสวกขึ้นมาได้เลยนี่แหละคือความสำคัญของการที่เราจะต้องมาพัฒนาอินทรีย์ห้าของพวกเราที่มีอยู่นี้ให้กลายเป็น พระห้าขึ้นมาให้ได้ให้มีศรัทธาเต็มร้อยคือมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีความยินดีในธรรมเต็มร้อยไม่ยินดีกับอะไรเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั่นเองมีธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่จะสามารถทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หมดสิ้นก็เลยมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เต็มร้อยฝากชีวิตจิตใจฝากให้ไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่เป็นผู้สั่งผู้สอน ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเวลาที่มีอยู่นั้นจึงอุทิศให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวผู้ที่เคยมีอาชีพมีมีอาชีพอะไรต่างๆพอได้มีศรัทธาขึ้นมาเต็มร้อยแล้วนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะลาออกจากอาชีพการงานต่างๆ เปลี่ยนอาชีพจากผู้ครองเรือนมาเป็นอาชีพของนักบวชบวชพระบวชภิกษุณีบวชชีบวชบวสัมมนเนยกันเพื่อจะได้เอาเวลาทั้งหมดนี้มาพัฒนาอินทรีย์นี้ให้เป็นพระขึ้นมาจะได้มีการบําเพ็ญอย่างเต็มต่อเนื่องตลอดเวลา วิริยะก็คือทำความเพียรตลอดเวลาความเพียรนั้นแรกที่ต้องทำก็คือการเจริญสติก็มันจเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับมไม่ทำอะไรอย่างอื่นอย่างอื่นถึงแม้จะทำก็ต้องทำควบคู่ไปกับสติ<ม>ทำอะไรนี้ต้องมีสติคอยกากับใจอยู่เรื่อยๆพอมีเวลาว่างก็จะนั่งสมาธิกันทำจิตใจให้สงบ แล้วพอออกจากสมาธิมาถ้ายัางไม่ชํานาญทางสมาธิยังไม่แม่นยังไม่ไม่สามารถเข้าสมาธิได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วก็กลับมาฝึกสติมาเจริญสติต่อก่อนอยังไม่ไปทางปัญญาขั้นสติสมาธินี้ต้องเอาให้มันเต็มร้อยให้ได้ก่อนคือต้องสามารถเอาจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิ ให้ได้ก่อนให้ได้อุเบกขาให้ได้อุเบกขามากๆเวลาออกจากสมาธิมาอุเบกขาก็มีติดมากับใจต้องฝึกขั้นสมาธิขั้นสตินี้ให้ชํานาญก่อนเหมือนกับการขับรถเวลาหัดขับรถใหม่ๆนี้เราไปหัดขับตามถนนซอยเล็กๆที่ไม่มีรถลาวิ่งไปวิ่งมาหรือมีสนามหัดสอบ ขับรถไปสอบกันเรายังไม่ออกไปถนนใหญ่จนกว่าเราจะมีความชำนาญจนกว่าเราจะมีความมั่นใจเราถึงค่อยขับรถออกไปตามท้องถนนใหญ่ได้ฉันใดการฝึกจิตก็เช่นเดียวกันการที่เราจะไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี้เราต้องมีความชำนาญทางด้านสมาธิก่อน สามารถควบคุมจิตใจของเราให้นิ่งได้เวลาที่เจอความโลภเจอความโกรธเจอความหลงขึ้นมาเวลากิเลสตัณหามาคอยยุยงมาคอยยั่วให้เกิดความโลภความอยากต่างๆขึ้นมาใจต้องสามารถนิ่งเฉยได้ไม่ทมตามความอยากความต้องการของกิเลสได้จะมีจะทำได้ก็ต้องมีอุบเบกขาอยู่มากๆ จะมีอุเบกขามากๆ ก, ก็ต้องหมั่นเข้าสมาธิบ่อยๆหมั่นเข้าสมาธิกับสลับการเดินจงกรมการเจริญสตินีการเจริญสตินี้ขณะที่เดินจงกรมนี้เราจะเจริญสติโดยจะให้ใจนี้อยู่กับการเดินเพียงอย่างเดียวไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหรือถ้าไปทำภารกิจต่างๆเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัว รับประทานอาหารทำความสะอาดที่อยู่อาศัยก็จะให้มีสติอยู่กับการกระทํางานเหล่านั้นไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนี่คือขั้นแรกของการสร้างวิริยะให้เต็มร้อยสร้างสติสร้างสมาธิให้เต็มร้อยก่อนพอได้สติได้สมาธิเต็มร้อยแล้วทีนี้ สามารถเข้าสมาธิได้เวลาที่จิตมีความรู้สึกหมดกำลังทางด้านอุเบกขาก็สามารถเข้าไปเติมในสมาธิได้อุเบกขานี้เปียบก็เป็นเหมือนกับน้ํามันรถยนต์นี่รถยนต์นี้ถ้าเราเติมแล้วเราออกไปขับไปวิ่งไปไหนมาไหนสักพักพอเราไปมองที่ ที่มาวัดน้ำมันก็จะเห็นว่ามันเริ่มเข้าสู่ขีดแดงแล้วเรารู้แล้วว่าน้ำมันใกล้จะหมดแล้วสิ่งที่เราต้องทำกันก็คือต้องย้บแวะจอดตามสถานีบริการต่างๆเพื่อเติมน้ำมันให้มันเต็มร้อยขึ้นมาใหม่ฉันได้อุเบกขาที่ได้จากสมาธิหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็จะค่อยๆจางหายไปหมดไป เหมือนกับน้ำที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาแช่ไว้ในตู้เย็นนานๆน้ำจะเย็นมากพอเราเอาออกมาจากตู้เย็นมาวางไว้ข้างนอกตู้เย็นสักระยะหนึ่งความเย็นมันก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าต้องการให้มันกลับมาเย็นใหม่เราก็ต้องเอามันเข้าไปในตู้เย็นใหม่สมาธินี่ก็เป็นเหมือนตู้เย็นของใจ ที่จะทำให้ใจเย็นด้วยอุเบกขาเนี่เวลาออกมาจากสมาธิพอมาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสปุธพามาเผชิญกับความยั่วยุยั่วยอยวนของกิเลสตัญหาอุเบกขาที่มีอยู่ก็จะค่อยๆจางหายไปพอรู้ว่าเริ่มถูกอิทธิพลของความโลภความโกรธครอบงำแล้วผู้ปฏิบัติก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิทันที เพราะถ้าอยู่แบบไม่มีอุเบกขานี้จะไม่สามารถเอาปัญญามาใช้เพื่อมาลงระ ง, ง, งับดับตัญหาความโลภความอยากต่างๆได้นั่นเองการฝึกสมาธิจึงเป็นการปฏิบัติที่สำคัญอย่างมากการเจริญสติก็สำคัญเพราะถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถเข้าสมาธิได้ สติเป็นผู้ที่จะคอยควบคุมความคิดให้หยุดคิด<ม>พอควบคุมความคิดให้หยุดคิดได้จิตก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมานี่คือหลักการของปฏิการปฏิบัติซึ่งถ้าไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงจะเข้าใจผิดกันที่ว่าการปฏิบัตินี้สามารถปฏิบัติสมาธิกับปัญญาไปทัน พร้อมกันได้เลยตามลําดับเลยเช่นทุกคนจะเข้าใจว่าพอนั่งสมาธิแล้วพอจิตสงบนิ่งแล้วก็ให้พิจารณาทางปัญญาถ้าพิจารณาปั๊บจิตก็ต้องเริ่มคิดทันทีพอเริ่มคิดมันก็จะทําให้จิตไม่นิ่งพอไม่นิ่งอุบเบกขาก็จะไม่มีถึงแม้จะมีปัญญาแต่ปัญญาโดยไม่มีอุบเบกขานี้จะไม่สามารถหยุดกิเลสตัณหาได้จึง ไม่ใช่เป็นแนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องนี้การปฏิบัติสมาธิและปัญญานี้จะต้องแยกออกจากกันไม่ไปทำทีเดียวพร้อมกันในระยะเบื้องต้นในระยะที่เรายังไม่มีสมาธิยังไม่มีอุเบกขานี้เราไม่ควรไปทางปัญญาควรมาทางสติมาทางสมาธิก่อนออกจากสมาธิก็จเจริญ ส, สติต่อ คอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดให้อยู่กับปัจจุบันหรือถ้าจะคิดก็ให้คิดอยู่กับคําบาลีคำพุทโธพุทโธหรืออยู่กับบทสวดมนต์หรือให้เฝ้าดูการกระทําต่างๆของร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกําลังกระทําอะไรอยู่กําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนกําลังรับประทานอาหารกําลังทําอะไรนี้ ให้สติให้ใจเฝ้าดูการกระทาของร่างกายไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นไม่ใช่ขณะไม่ให้คิดในขณะที่เราเรับประทานอาหารแล้วก็ไปคิดว่าเดี๋ยวจะไปปฏิบัติทำที่ไหนดีไปทำอะไรที่ไหนดีไปพบใครดีอย่างนี้ไม่ถือว่ามีสติถ้ามีสติต้องรู้การกระทาทุกอิรียบุตร เป็นเวลารับประทานก็รู้ตั้งแต่การตักอาหารการเอาอาหารเข้าปากการเคี่ยวอาหารการกืนอาหาร<ม>ให้อยู่กับเรืเ่องของการรับประทานเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นเลยอย่างนี้ถึงเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะคือมีสติอย่างต่อเนื่องสติไม่ทิ้งสิ่งที่เป็นอารมณ์ ไว้สำหรับดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคือการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายนี้เองหรือบางท่านไม่ถนัดชอบคำบริกรรมพุทโธก็สามารถใช้คำบริกรรมพุทโธไปด้วยก็ได้รับประทานอาหารไปก็พุทโธพุทโธไปอาบน้ำล้างหน้าปแปรงฟันก็พุทโธพุทโธไปทาความสะอาดถูที่พักอาศัย ก็มีพุโทโธพุธโทโธไปตลอดเวลาไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้เกิดความเครียดเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาอันนี้พอมีเวลาว่างก็หามุมสงบนั่งสมาธิ ท, ทันทีเพราะว่าการเจริญสติระหว่างที่มีการเคลื่อนไหวนี้ไม่สามารถทำจิตให้เป็นสมาธิได้ให้จิตนิ่งเต็มที่ได้ทำให้จิตนิ่งประมาณครึ่งหนึ่ง้ ยังมีความที่สลับกันไปสลับกันมาอยู่ถ้าจะห้ามให้จิตใจมีความนิ่งร้อยเอร์เซ็นตนี้ต้องนั่งเฉยๆกายต้องนิ่งก่อนเพราะถ้ากายเคลื่อนไหวนี้ก็แสดงว่าจิตยังเคลื่อนไหวอยู่เพราะการเคลื่อนไหวของกายนี้ต้องมีใจเป็นผู้กํากับเป็นผู้สั่งนั่นเองสั่งให้ลุกสั่งให้ยืนสั่งให้เดินเป็นการทำงานของใจถ้าใจยังทางานอยู่ใจจะนิ่งไม่ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องนั่งนิ่งนั่งเฉยๆก่อนนั่งกายต้องนั่งเฉยๆก่อนไม่ทำอะไรแล้วก็มีสติอยู่กับพุทธโธก็ได้แล้ว อ, อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้ยังได้อย่างหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเอาทั้งสองอย่างก็ได้บางท่านชอบสองอย่างก็ได้หายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธก็ได้ บางท่านบอกว่ามันยุ่งยากเพราะจังหวะของลมกับพุโทโธมันไม่สอดคล้องกันก็ดูลมอย่างเดียวก็ได้หรือเอาพุโทโธอย่างเดียวก็ได้ถ้าอาพุโทโธก็ไม่ต้องดูลมเลยหรือถ้าดูลมก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้อันนี้แล้วแต่เจริญของผู้ปฏิบัติถนัดแบบไหนชอบแบบไหนทำแบบไหนแล้วได้ผลดีก็เอาแบบนั้นไม่เป็นปัญหาหอะไรขอให้ดูผลที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นหลักว่า สามารถทำจิตให้นิ่งให้สงบได้หรือไม่เท่านั้นเองอันนี้เป็นเป็นตัววัดของความถูกต้องว่าการปฏิบัติของเรานี้ถูกหรือไม่ถูกขอให้ดูที่ผลผลคือความสงบจิตเรานิ่งสงบเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้หรือไม่เท่านั้นเองถ้ายังไม่ได้นี่ก็สแสดงว่าสติเรานี้ยังไม่มีกาลังพอยังวัดไปคิดเรื่องนั้นยังวัดไปคิดเรื่องนี้ ยังถูกเรื่องนั้นเรื่องนี้มารบกวนใจมาดึงไปเวลานั่งนี้เวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจนี้อย่าไปสนใจอาจจะรู้สึกว่าร่างกายเองไปข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปขยับร่างกายบางท่านก็อยากจะกลืนน้ำลายก็ไม่ต้องกลืนปล่อยให้มันอย่าไปสนใจมันมันจะไหลออกมาก็ปล่อยมันไหลออกมาไม่เป็นไร เดี๋ยวเราไปเช็ดไปล้างได้ถ้าเราไปกังวลกับเรื่องของร่างกายนี้ใจจะไม่ได้ภาวนาใจจะไม่ได้เจริญสติไม่ได้ทำให้ใจนิ่งใจก็ต้องมาทำงานกับการขยับร่างกายก็จะไม่มีวันเข้าถึงสมาธิได้ดงั้นเวลานั่งสมาธิแล้วนี้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องของร่างกายก่อนจะนั่งก็กาหนดร่างกายให้ให้ดี ตัตั้งตัวให้ตรงแต่ไม่ต้องเกรงนั่งแบบสบายสบายให้ตัวตรงไม่พิงอะไรจะดีกว่าเพราะการพิงนี้จะทำให้มันสบายแล้วจะทำให้ขาดสติได้ง่ายกว่าถ้าไม่มีอะไรพิงนี้มันจะทำให้จิตของเราสติของเรานี้มั่นคงกว่าพอเราตั้งท่าของการนั่งไว้เรียบร้อยแล้วพอเราเริ่มดูลมเริ่มพุทโธแล้ว เราก็เลิกสนใจกับเรื่องของร่างกายถ้าใจแวบไปคิดถึงว่าร่างกายของเราเองไปหรือเปล่าเนาะเองไปทางซ้ายเองไปทางขวาขยับไหมขยับไปขยับมาอย่างนี้ไม่ควรทำปล่อยมันเอ็นไปปล่อยมันจะเอ็นไปทางไหนให้มันรู้ไปส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของภาวะความกังวลของใจสร้างขึ้นมาต่างหากเป็นอุปทานเป็นความคิดขึ้นมาท่าเองความจริงแล้วร่างกายเขาก็อยู่ในท่าของเขา อาจจะเอนบ้างเล็กน้อยก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาไม่มีปัญหาคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็อย่าไปเกาอย่าไปสนใจถ้าอยู่กับลมอยู่กับพุโทโธแล้วอาการคันมันจะหายไปเองเช่นเดียวกับน้ำลายที่จะไหลถ้าเราไม่ไปสนใจถ้าเราเกาะติดอยู่กับลมหายใจเกาะติดอยู่กับพุโทโธเดี๋ยวเราก็ลืมเรื่องเรื่องน้าลายไปเองแล้วมันก็จะไม่มารบควณใจ ใจเราก็จะเข้าสู่ความสงบตามลำดับเริ่มรู้สึกเบาขึ้นสบายขึ้นเริ่มรู้สึกห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเหมือนกับเวลาที่เราเดินเข้าไปในถ้ำตอนต้นเวลาอยู่ปากถา้ำเราก็ยังอาจจะได้ยินเสียงได้อะไรจากของที่มีอยู่นอกถ้ำอยู่แต่พอเราเข้าไปลึกเดินลึกเข้าไปเข้าไปลึกไปเรื่อยๆจะเริ่มรู้สึกเงียบขึ้นเงียบขึ้น อันนี้ก็แบบเดียวกันเวลานั่งสมาธินี่เหมือนการเข้าถ้ำหรือเหมือนการถอนความรบับรู้ทางตาหูจมูกเล่นกายนั่นเองทำให้เราจะไม่ค่อยได้รบับรู้รูปเสียงกลิ่นรส ถ, ถึงแม้จะมีอยู่แต่เราก็ไม่สนใจแล้วถ้าทำอย่างนี้ไปได้อย่างต่อเ น, นื่องโดยไม่มีอะไรมาถูกอะไรมาหลอกให้ดึงไปจะมีแสงมีภาพอะไรก็อย่าไปสนใจอย่าไปคิดว่านี่คือสิ่งที่ดี มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นถ้าเราไปให้ความสำคัญกับมันเพราะมันจะเป็นนิวรณ์เป็นอุปสรรคต่อการนำจิตให้เข้าสู่สมาธินั่นเองอย่าไปสนใจให้อยู่กับลมอย่างเดียวหรืออยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไปจนกว่าจิตจะวุบลงไปนิ่งสงบแล้วไม่ไม่ต้อ ไ, ไ, ไม่ทาอะไรแล้วตอนนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวจิตจะนิ่งไม่มีการคิดไม่มีการตรุงจิตจะรู้สึกเบา รู้สึกสุขรู้จักสบายรู้สึกว่านี่แหละคือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเป็นอย่างนี้เองอพอพอจิตอยู่ถึงจุดนั้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรให้ใช้สติคอยประครับประครองถ้าจิตจะคิดปุงแต่งก็ระ ง, งับมันไว้อย่าให้มันคิดให้มันนั่งนิ่งไปเฉยๆไปนานๆจ น, น, นกว่าจะรู้สึกจิตอยากจะออกมาจริงๆแล้วเท่านั้น ถ้าคิดว่าอยากจะนั่งต่อก็สามารถจเจริญสติต่อได้ดูลมต่อได้พุโทโธต่อได้ถ้าอยากจะนั่งรอบสองโดยที่ไม่ต้องออกมาแต่ถ้าทนกับความอยากไม่ได้สิ่งที่ดึงให้ใจเราออกจากสมาธิก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผธทพะนี้เองอยากจะออกมารับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างโลกยังอยู่หรือเปล่า ลุกสิ่งลุกอย่างยังเหมือนเดิมหรือเปล่าก็บางทีก็ไม่สู้ความอยากนี้ไม่ได้ก็หรือรืออาจจะสู้ความปวดเมื่อยของร่างกายไม่ได้ก็ต้องถอนออกจากสมาธิมาถ้าถอนออกมาถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเต็มร้อยก็ต้องเจริญสติต่อทันทีพอออกมาปั๊บก็ต้องควบคุมใจต่อไป ควบคุมด้วยพุโทโธควบคุมด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปอย่าปล่อยให้ใจไปท่องเที่ยวไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆผู้ปฏิบัติที่ต้องการลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วในโลกนี้ถ้าศึกษาด้วยปัญญาจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นถึงแม้จะมีสุขบ้างก็ตามแต่เป็นความสุข ชั่วคราวหรือเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปดังนั้นผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี้ต้องไม่ให้ความสําคัญม่ต้องไม่สนใจกับสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะบุคคลต่างๆให้พิจารณาว่าเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพากจากกันอยู่ดีน พ่อแม่พี่น้องญาติปู่ญาตายายญาติสนิทมิสรสายรม้ว่าใครทั้งนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดวันหนึ่งก็ต้องมีการพัดภาคจากกันไปเป็นธรรมดาอย่นี้นไม่ต้องไปสนใจเ็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไปยุ่งกับเขานจะทำให้ใจเราทุกข์ไปวุ่นวายกับเขาไปอันนี้ไม่ได้ขาดความเมตตาอันนี้พูดตามหลักความเป็นจริงตามเนื้ ต่างกาตามแนวของการรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าเวลาต้องมีการพบปะการมีการเกี่ยวข้องกันก็ใช้ความเมตตาได้ก็ให้ความสุขต่อการช่วยเหลือกันถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากอดอยากขาดแคลนถ้าเรามีอะไรที่จะพอช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่เรื่องทางปัญญานี้อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องทางปัญญานี้ต้องมองเห็นว่าการไปยุ่งเกี่ยวกับใครนี้มันเป็นการเข้าหาความทุกข์ทั้งนั้นอ่ะเพราะถ้ายุ่งเกี่ยวกับเขาแล้วต้องวุ่นวายไปกับเขาอย่างแน่นอนไม่ไม่เรื่องนั้นก็เรื่องนี้มีเรื่องให้เราวุ่นวายอยู่เรื่อยๆงนั้นทําไม่ต้องการความวุ่นวายต้องการความสงบต้องการความสุขของรถแห่งธรรมนี้ก็ต้องไม่ไปสนใจกับเรื่องราวเหล่านี้ออกจากสมาธิมาก็ จเจริญสติต่อไปควบความควบคุมความคิดต่อไปอันนี้หมายถึงผู้ที่ออกไปปีกวเว้ไปปฏิบัติตามลาพังหรือไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติไม่มีภารกิจที่ต้องก้องเกี่ยวข้องกับใครมีเรื่องเดียวที่ต้องทำก็คือสติสมาธิและปัญญาก็หมั่นพยายามฝึกสติออกจากสมาธิมาก็มาจเจริญสติต่อถ้าต้องทำอะไรก็ทาด้วยสติ ถ้าไม่ต้องทำอะไรก็เดินจงกรมแทนเดินจงกรมไปเดินไปก็ดูที่เท้าเท้าซ้ายเท้าขวารู้ว่ากำลังก้าวเท้าไหนเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วมองไปข้างหน้าด้วยเพราะว่าอย่ามองที่เท้าเพียงอย่างเดียวต้องมองทางเดินที่เราเดินด้วยว่าข้างหน้านั้นมีอะไรขวางกั้นอยู่หรือเปล่ปามีสัตว์เลื้อยคลานหรือมีอะไรอยู่หรือเปล่ปาจะได้ไม่ไปเหยียบเขาจะได้ไม่เดินชนสิ่งนั้นสิ่งนี้ ไม่ใช่ให้ดูแต่เท้าอย่างเดียวโดยไม่ยอมมองอะไรเลยไม่ใช่ดูเท้าด้วยแล้วดูสิ่งที่อยู่ข้างหน้าด้วยควบคู่กันไปแต่ไม่ให้ไปใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มีสติอยู่ในปัจจุบันเดินยังกระทั่งรู้สึกเดินไม่ไหวแล้วก็กลับมานั่งสมาธิใหม่ทำอย่างนี้กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องเวลาเข้าสมาธิแต่ละครั้งนี้ จะง่ายขึ้นจะเร็วขึ้นบางทีนั่งไม่นานห้านาทีสิบนาทีจิตก็นิ่งสงบแล้วก็นิ่งได้นานทีละอสามสิบนาทีทีละชั่วโมงหรือบางท่านสองชั่วโมงก็มีอยู่ที่กําลังของสติที่เราฝึกไว้ฝึกสติเพื่อให้เข้าสมาธิเพื่อให้ได้อุเบกขาพอได้อุเบกขาก็จะได้เอาอุเบกขานี้มาใช้ในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาเวลาที่ใช้ปัญญา ต่อสู้กับกิเลสตัณหาก็สามารถเอาชนะกิเลสตัณหาได้นี่คือพอได้สมาธิได้อุเบกขาแล้วทีนี้ก็พร้อมที่จะไปสู้กับความอยากต่างๆได้อยากได้อะไรก็ให้พิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันจะต้องทุกข์ได้อะไรมาเวลาได้มาใหม่ๆมันดีมันก็มีความสุข แต่พอมันเปลี่ยนไปมันเก่ามันกลายเป็นของไม่ดีไปกลายเป็นของเน่าไปเช่นดอกไม้เราไปซื้อดอกไม้มาใหม่ๆสวยเห็นแล้วมีความสุขแต่พอทิ้งไว้สักสองสามวันอาหยวเช้าไปหมดแล้วกลายเป็นขยะไปละกลายเป็นภาระที่จะต้องคอยไปกำจัดอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้ก็เป็นความทุกข์แบบเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้พิจารณากันแบบนั้นก็ได้ แต่มันก็เป็นความทุกข์แล้วเพราะเราจะไม่อยากจะเก็บไว้ในบ้านแล้วเพราะมันเป็นของที่ไม่สวยไม่งามไม่น่าดูแล้วแต่เวลาไปเห็นที่ร้านนี่เขาจัดดอกไม้สวยๆงามๆก็เกิดตัญหาเกิดความอยากได้ขึ้นมาทันทีโดยที่ไม่มองว่าหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันไม่เกินอาทิตย์มันก็กลายเป็นของเน่าของเสียไปนี่คือการพิจารณาทางปัญญาต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันจะต้องเน่าต้องเสีย ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดแล้วมันก็จะกลายเป็นภาระกลายเป็นความทุกข์กับเราขึ้นมาถ้าเราไม่ไปยุ่มกับมันเราก็สบายไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปซื้อมันเราก็ไม่ต้องมามีวมีภาระที่จะต้องมาคอยกำจัดมันมีความรู้สึกไม่สบายใจไปกับมันอันนี้คือขั้นของปัญญาหลังจากที่เราออกจากสมาธิแล้วมีอุเบกขาแล้ว เราต้องพิจารณาความเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วต้องมีการเสื่อมเช่นร่างกายของเราเกิดแล้วมามันก็ต้องมีการเสื่อมตอนต้นก็จะมีการเจริญก่อนอยากเด็กทารกก็กลายเป็นเด็กเล็กอยากเด็กเล็กก็เป็นเด็กโตอยากเด็กโตก็กลายเป็นผู้ใหญ่อยากผู้ใหญ่ก็กลายเป็นผู้สูงอายุอยากผู้สูงอายุก็กลายเป็นผู้ชราไปแล้วในที่สุดก็กลายเป็นซากศพไป อันนี้ก็เป็นเรื่องของร่างกายที่เราไม่รู้กันเราไปเอาร่างกายมาเป็นสมบัติโดยที่ไม่รู้ว่าเราจะได้ของที่จะทำให้เราทุกข์ในภายหลังที่เราไปเอาร่างกายเพราะเราอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขนั่นเองเพราะร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายแลกกิเลสของเรานี้มันอยากได้รูปเสียงกลิ่นลอ อันที่จะได้รูปเสียงกลิ่นล้นก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้งกายเป็นเครื่องมือแต่เครื่องมือที่เราได้มานี้มันเป็นเครื่องมือที่ไม่เที่ยงนั่นเองเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาทุกกับร่างกายก็อย่าไปมีร่างกายหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นร้พออจากสมาธิมาพออยากจะดูอะไรก็ตัดมันไปอยากจะฟังอะไรก็ตัดมันไป ถ้ามันไม่จําเป็นจะต้องมีถ้าจําเป็นก็ยกเว้นได้เช่นร่างกายหิวน้ําก็ต้องดื่มน้ําแต่ดื่มน้ำเปล่าไม่ต้องดื่มน้ําที่มีสีมีกลิ่นเพราะสีกลิ่นนี่มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราติดรูปเสียงกลิ่นรสนี้เราต้องพยายามละมันแต่ถ้าร่างกายต้องการน้ําก็ดื่มน้ำเปล่าไปได้แต่ไม่ต้องดื่มน้ําที่มีรสมีชาติอะไรทำนอง น, งนี้อันนี่คือ เรื่องของการใช้ปัญญาถ้าเรามีอยู่เบกขาพร้อมที่จะมาสู้กับกิเลสตัณหาความอยากแล้วเราก็พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเราอยากได้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ตอนนี้ก็ไม่เที่ยงแนะล้วฝนตกแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาต้องขออภัยที่จะต้องยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้โอกาสหน้าค่อยมาฟังกันใหม่ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหานปุระภะริภูเรนติสาคะลังเอวเมีวะอิโตชินนางเปตานังอุปกาปติปิช an ิตตังปัติต um ังตุมหัง e ทิพเมวะสมิจัตุสาภิภูเรนตูสักปะจันโทตัญะวะโสยะา มานิโชติภราสยถาสัตติโยริวัชานุสัพพโรโวินัสสุมาเตขวัตวันายโยสุขีทิทาโสภา อาภีวาธันสีลิสามิจามุทาปจายโนตะตารุธัมมาวัทันทิกอายุพโนสุขังอะระ